พระษัทนั้นจะมาตรัสรู้ขาลงถ้ายุคเกิดขึ้นเกินแสนปีก็ไม่ไม่ตรัสรู้ตามก็ร้อยได้ไหมถ้ายุคนี้จะมีพระพุทธเจา้าตรัสรู้มีไหมนั้นถ้าใครมีสถาบันนายุคนี้จะเป็นพระพุทธเจา้าเราเชื่อถือได้ไหมมีพระพุทธเจ้ากี่องค์มีองค์เดียวเท่านั้นใช่ไหมตรงนี้ก็เราท่านทั้งหลายตรงนี้เป็นสิ่งที่น่าคิดที่เราศึกษาคําสอนของพระบรมศาสดานี่ต้องพิจารณาให้ดีเนาะ ที่ต้องพิจารณาให้ดีก็เพราะว่าในยุคปัจจุบันเนี่ยเราท่านทั้งหลายลงมาพิจารณาดูกระแสใจเราท่านทั้งหลายที่ศรัทธาในการตรัสรู้ของพระเจ้าของเราตั้งมั่นมั่งลงพิจารณาดูเนี่ยใจของเราจริงๆเราเชื่อคําสอนของพระทธเจ้าสักประมาณเท่าไหร่เนาะลงมาตรวจมาสอบมาพิจารณาดูแต่ถ้าหากว่ากระแสใจเราท่านทั้งหลายเนี่ยไม่ค่อยเชื่อคําสอนของพระทเจ้าเท่าไหร่เนี่ยแสดงว่าความหมายยะในใจของเราเริ่มเกิดแล้วนะ ต่อไปนี้เราจะเสียหายเราบอกงั้นนะก็ต้องพิจารณาประการที่สองท่านก็พิจารณาถึงในเรื่องของกาไอทวีปนั่นเองทวีปมีอยู่สี่ใช่ไหมชมพูทวีปอุตรากุรุทวีบปุบพ้าวิธีหาทวีบแล้วก็อปราโคยานะทวีบที่เราอยู่ในโลกใบนี้เขาเรียกทวีปอะไรเนี่ยชมพูทวีบชมพูทวีปใช่เฉพาะประเทศอินเดียไหมชมพูทวีปมีทั้งหมดเลยไหม ทั้งโลกใบนี้เลยนะใช่มโลกใบนี้เรียกว่าชมพู ด, ดีปากหรือชมพูทวีปอุตรัสกุรุทวีปนั้นน่ยพะพุทธเจ้าไม่ไปแต่สรู้ปุพพาวิเทหะก็ไม่ไปอปร拉โคยานนทวีปก็ไม่ไปเพราะทวีปเหล่านั้นแล้วถ้าพูดถึงความที่ศรัทธาวิริยาสติสมาธิปัญญาของสัตว์จะอ่อนจะอ่อนกว่านี้ที่นี่ในในชมพูทวีปเนี่ย ถ้าสัตว์เนี่ยจะตัดสรุ้ก็สามารถตัดสรุ้ได้สูงสุดเป็นพระเจ้าก็ได้เนี่ยนะหรือถ้าหากในแง่ของความต่ำช้าเร็วสามสัตว์นั้นสามารถทาอนันติเรียกกรรมก็ได้เป็นนิยตรรมวิฉาทิฏฐิก็ได้ซึ่งก็น่ากลัวเรามาเกิดในทวีปที่น่ากลัวแล้วแล้วก็เป็นทวีปที่โชคดีนะทวีปที่ว่ามันสองมุมเลยเพียงแต่ว่าเราจะเดินฝ่ายไหน เราจะเดินฝ่ายพระพุทธเจ้าหรือเราจะเดินฝ่ายของพญามารเดินฝ่ายไหนดีถ้าจะเดินฝ่ายพระพุทธเจ้าเราก็ต้องเดินจริงๆนะอย่าไปกักสองทางเขาไว้เนี่ยใช่ไหมเราเนี no okay. ่ยชอบประเภทแทงกักกันอยู่เลยเลยเนี่ยประเภทที่ทางโน้นก็ดีทางนี้ก็ดีใครชนะเอาด้วยเนี่ยให้สังเกตดูไหมตอนที่พระโพธิสัตว์เนี่ยต่อสู้กันกับพญามารเทวดาหนีเกลี้ยงหมดเลยไม่มีใครอยู่เป็นเพื่อนพระโพธิสัตว์เลยใช่ไหม เพราะพุทธิศัสตร์ต้องดึงบารมีของตอนเองเนีมามาเป็นเพื่อนเนี่ยเนี่ยเราประเภทกันแบบนี้สารโลกเป็นอย่างเนี้พอถึงเวลาคับขันขึ้นมาหนีหมดเนี่ยถ้าเกิดตมตามตุมตามกันมาใส่หนีหมดเลยเนี่ยพระพราต้องช่วยเหลือตัวเองนะเนี่ยใช่ไหมยอมก็หวังพึ่งพระพระก็หวังพึ่งโยมใส่เล ย, เลยแต่เนี่ยแท้จริง แต่จริงใครก็เป็นที่พึ่งของใครไม่ได้เนาะแต่สารณะนี่เป็นที่พึ่งได้ทีนี้ถ้าถ้ามีศีลเนี่ยยมกลัวตายไหมไม่กลัวเนาะแต่ถ้าทุศีลนี่ยกลัวตายถ้าศีลมีเลยสมาธิหรือปัญญามีไปที่ไหนไเนว็ไรหรอกต่อมาก็คือพิจารณาเกี่ยวเรื่องทวีปดังที่กล่าวแล้วก็พิจารณาประเทศก็มบังเกิดในมัธยมประเทศ พระผู้มีพระเจ้าจะไม่มาเกิดในปัจจันตะประเทศตระกูลก็คือตระกูลกษัตริย์หรือพระมากย์พระชนนีก็ดูอายุของพระชนนีเมื่อท่านพิจารณาในลักษณะอย่างนี้ก็เลยถือปฏิสนธินะหลังจากนั้นก็จุติจากดุสิตสวรรค์ก็กมาถือปฏิสนธิโดยดาวนักษัตร์ในวันเพ็ญเดือนนันสาหาเกิดในท้องเนี่ยนะนางสุมเมธาเทวีในสกุลของพระราชานามวาสุเทวะ เป็นเทพแห่งรชนท้าววาสุเทพผู้พิชิตด้วยความเจริญและพยศของพระ อ, องค์ณกรุงรัมมาวดีมีราชบริพันธ์น้อยใหญ่นะคอยบริหารไม่ทรงแปดเพื้อนด้วยของไม่สะอาดใดในพระคันของมมหาเทวีเหมือนกระแก้วมณีเออเราท่านทั้งหลายเวลาอยู่ในท้องของแม่เนี่ยเราแปดเพื้อนได้มูดแล้วพูดไหมเปื้อนไหมเปื้อนน้าครัมเต็มไปหมดไหม แต่ข้างบนก็มีอะไรดีข้างบนมันสิสะกระเพาะอาหารใหม่แ ล, แล้วนั่งทับอะไรอยู่อาหารเก่าอยู่นะเขาเรียกว่าข้างล่างก็เป็นกระเพาะอุจจาระโอ้โหลองคิดดูเนี่ยแล้วแล้วนั่งสางาเลยไหมนั่งสมาธิในท้องแม่เล ย, ยไหมนั่งกดโคเหมือนอะไรดีเหมือนลิงเหมือนลิงขดอยู่ในพงไม้ แล้วฝนก็ตกเหมือนอย่างนั้นเลยโยมฝนก็ตกแล้วก็คุดคู้อยู่งั้นเลยแม้ดูกระจอกอยางเนอะพวกเราเกิดในท้องแม่ท้องพ่อเนี่ท้องแม่เนี่ยถ้าพระโพธิสัตว์ไม่นั่งอย่างนั้นพระโพธิสัตว์จะนั่งขัดสมาธิในใ น, ในท้องของมารดาประดุจดังเจดียรทองเลยสว่างอยากได้ฐานะนั้นไหมล่ยี่สิบอสงไข่ ย, ยิ่งด้วยแสนมาหากับเอาไหมจะได้ฐานะนั้น น่าชื่นใจนะเนี่ยนักพระผู้มีพระภาคเจ้าเนี่ยตอนชาติสุดท้ายจะเป็นลักษณะอย่างนี้เลยทุกพระองค์เป็นแบบนี้ประดุดดังเจดีทองนั่งขัดสมาธิไม่แปดเปื้อนด้วยของไม่สะอาดทั้งหลายอยู่ในท้องของแม่แล้วให้สังเกตดูนะว่าตรงนี้มาอธิบายเชิงวิเคราะห์ดีกว่า เราจะได้เห็นภาพลองดูคำว่าอุปนิสยปัจจัยเราจะเห็นชัดเวลาผู้มีบุญอยู่ในท้องของใครเนี่ยอุปนิสยปัจจัยของคนมีบุญทั้งหลายเนี่ยก็ร้านไปทั่วสัพพางของพระมารดามารดาจะกลายเป็นบุคคลที่มีศีลแปดอย่างนี้นะแล้วก็จะมีจิตใจที่เยือกเย็นงดงาม บารมีธรรมทั้งหลายที่ฝังแน่นในกมลสันดานของพระบริสัทนั้นนะ่ะก็ฟุ้งออกเป็นอุปนิสยปัจจัยนะ่ะสร้างถึงจิตใจของพระมารดามารดาก็เป็นผู้มักให้ทานมักให้รักษาศีลเจริญสมถะวิปัสนาเป็นอย่างนั้นเลยเห็นว่ามารดาก็จะมีแต่ความสุขใจก็ร่าเริงยินดีในกุศลธรรมจเจริญกุศลก็คล่องแคล่วมาก ยอมที่เคยตั้งท้องทั้งหลายเนี่ยตอนที่โลกอยู่ในท้องอ่ะอึดอัดกันเป็นแถวเลยแถวมาหลายองค์หลายคนแล้วอันมาก็ถามยมแม่ถามบอกว่าตอนอันมาอยู่ในท้องเป็นยังไงอโอ้หทรมานเหลือเกินอันมารู้ตัวแล้วแล้วก็ไม่ยอมคลอดสักทีอยู่กันนานผิดปกติอึดอัดก็อึดอัดก็บ้าแทนที่อยู่นานที่แรกอันมาอู้ดีใจเหลือเกิน เรานี่อยู่อย่างกระพาะโพทิสสัตว์เลยนะอยู่ตั้งสิบเดือนที่ไหนได้ไปอยู่ให้แม่ลำบากไปอยู่ให้แม่ลำบากออกมารกกับพันเต็มเลยเนี่ยนะดูดิเลี้ยงก็ยาก็อีกโอ้ลำบากใหญ่เลยนีย่นี่ไม่ใช่เนี่ยอย่างเงี้ยทั้นถ้าเราพิจารณาอย่างนี้เราให้สังเกตดูที่ว่าถ้าเราได้อยู่ใกล้คนดีอย่างระดับพระพาะโทิสสัตว์ไม่ต้องไม่ต้องทนมาส่ท้องแล้ว แค่เราไปเป็นเพื่อนเนะี่ยหรือไปอยู่ในฐานะเป็นลูกศิเส์ลูกหาไปอยู่ใกล้ชิดหรือบ้านอยู่ห่างกันไมื 7, 8, ่อเจ็ดแปดรังคาเรือนแค่นี้เราก็มีความสุขแล้วใช่ไหมเจ้านี่มาพิจารณาในลักษณะนี้พระนางสุเมทาเทวีเนี่ยที่พระโพธิสัตว์พร ะ, รพระทีปังคกรโพธิสัตว์เนี่ยปฏิสันที่ในครันของนางเนีนางจักมีความสุขสักปานใดเนะี่ยฉะนั้นประการต่อมาก็คือว่าต่อมานางนั้นเนี่ย ถ้บอกเหมือนแก้วมณีอยู่ตลอดทศมาศคือสิเดือนก็ประสูติจากประการของวนางเหมือนดวงจันทร์ในฤดูศาสตร์โคจรในหลิหรือเมฆอย่างนั้นแหละปุฏพันิยมิสิบสอประการปรากฏปริหารของพระทีปังกรราชกุมารพระองค์นั้นทั้งขณะปฏิสนธิขั้งขณะประสูติปฏิหาร32สองประการเป็นฐานะเหล่านี้ก็คือเมื่อพระสัพพัญยญโพธิสัตว์ทุกพระองค์นั้นเสด็จสู่คันของพระมารดาหนึ่ง ประสูตรหนึ่งตัศรูหนึ่งประกาศธร 1, รมจักหนึ่งเพราะฉะนั้นน่ะปุปพานิมิตสามสสองประการในการที่การประสูตรของพระทีบังกรราชกุมาร น, นะก็ปรากฏ ก, ก็เหมือนกันคือตรงนี้ก็ทําให้เราเห็นคุณของพระพุทธเจ้าทุกๆพระองค์ว่าพระบรมศาสดาในชาติสุดท้ายในการที่จะได้าตัสรูเป็นพุทธเจ้านั้นจะมีปุพานิมิตรปรากฏอันนี้แสดงให้เห็นอะไรถ้าบางแห่งท่านกล่าวบอกว่า การอุบัติเกิดขึ้นของพระโพธิสัตว์เนี่ยเป็นการอุบัติเกิดขึ้นถ้าจักไม่อาศัยคันเกิดก็ได้แต่ถ้าไปเกิดในลักษณะอย่างนั้นจักไม่อายุยนันแล้วก็จักไม่เป็นที่เชื่อถือในการที่จะได้ตั ด, ต ด, ตดสั่รู้แล้วใช่ไหมฉะนั้นการผ่านท้องพระชนกพระชนนีทั้งหลายเนี่ยผ่านออ พ, รพระชนนีเนี่ยนะก็เป็นข้อยืนยันพระเจ้านั้นเป็นมนุษย์อย่างนี้เป็นต้นแต่แท้ที่จริงบา ร, รมีของพระองค์นี่เต็มเปี่ยมไม่รู้จะเต็มยังไงแล้ว ในชาติสุดท้ายเนี่ยพระธีบังกรราชกุมารทัเป็นผู้ถึงความงามความเจริญนะสงบประสูติ์แล้วในครั้งนั้นหมื่นโลกธาตุก็สะเทือนวันไหวโดยรอบในเขตของท่านใชาติเขตหมื่นโลกธาตุนวันไหวการตรงนี้ก็เป็นไปตามลำดับในลักษณะอย่างนี้นะนอกจากหมื่นโลกธาตุวันไหวแล้วยังไม่พอเนยในขณะที่พระโพธิสัตว์นั้นเน่ะ เทวดาในหมื่นจักรวาลพากันมาประชุมในจักรวาลหนึ่งพอพอมหาโพธิสัตว์ผู้เป็นพระโพธิสัตว์ประสูติเทวดาทั้งหลายก็รับก่อนนี่เป็นเรื่องปกติเนาะอย่างอาตมานี่ยังพูดหลายๆครั้งเนี่ยให้คนหลายๆท่านฟังอาตมาคลอดครั้งแรกเนี่ยเขาเอากระด้งในะรับยอมอยู่บ้านนอกอย่างยอมนี่ถ้าเกิดในโรงพยาบาลเงินเขาก็รับดีหน่อยยังไม่อาตมากระด้งที่ยอมพ่อสารเนี่ยยอมก็เห็นกระด้งไหม กระดองที่เขาปัดข้าวอ่ะนั่นแหละแล้วก็เป็นผ้าถุงฉีกบางๆเนะ่ยลองรับดิ้นเหมือนตัวหนอนอยู่กันในกระในกระดองคิดดูดิเนี่ยมาเกิดใหม่ๆเป็นแบบเนี้ยไม่มีเทวดามาลองรับอะไรรับ อ, อันนี้บ่งบอกบ่งบอกว่าไม่มีความอัศจรรย์เลยใช่ไหมไม่มีความอัศจรรย์เลยแต่แต่บางคนเกิดมาก็ก็มีอย่างอื่นรองรับเนี่ย ใช่ไหมมีหลายๆคนก็รองรับอย่างนัถ้าคนโบราณเนี่ยเขาไม่ได้คลอดที่โรงพยาบาลก็คลอดให้หมอตำแยนิยมหลายๆคนที่อยู่ในกรุงเทพไม่รู้อย่างหมอตำแย ม, แมั้งสมัยก่อนก็มีหมอตำแยทำคลอดเนี่ยคลอดไปเสร็จก็มีการอยู่ไฟแล้วเด็กก็นอนอยู่ในกระด้งนั่นเลยเขาใช้กระด้งนี่เลยเนะถ้าก็นอนถ้าถ้าครกลัวไหนยากจนนี่แล้วพราะแม่แม่ก็ฉีกก็ผ้าถุง เก่าๆทาเป็นผืนเล็กๆเงี้ยฉีกพอเตรียมตั้งท้องก็เตรียมฉีกผ้าถุงไว้แล้วมีผ้าถุงไหนเก่าก็ฉีกไว้ฉีกไว้ฉีกไว้เรียบทําไว้ตั้งแต่ตั้งแต่เป็นตัวเล็กๆอ่พอนี้มาก็เตรียมผ้าถุงเอาไว้แต่นี้นั่นแหละเอาไปซักหาไม้บอกขอเกี่ยวไว้ผืนเอาไปดูหน่อยมีผ้าถุงและผ้าถุงนี้แปลกศักดิ์สิทธิ์จริงๆนะ สมัยก่อนใครไปเป็นทหารก็ก็ติดตัวไปเขาผูกคอบางผูกเอวเขาบอกเหม่ปลอดภัยเลยว่าแต่ไม่ใช่อย่างที่เขาว่าเนี่ยที่บอกว่าพ่อก็ให้พระไปองค์ที่ไปต่อสู้กันในสงครามนี่เลยล้อมโตมกันไปไม่รู้พระหายไปไหนไม่รู้ล้อมคว้าใหญ่กลางคืนเนี่ยนะคว้าคว้ า, า, าไปจับอะไรได้้นมาก็ใส่ปากแ้ว ตอนนี้มันมีอะไรเด่นปุ๊บปุ๊ป๊บในปากแล้วว่าพระปกเราแล้วเว้ยลบเ ก, กลินก็ว่ายิงต่อสู้ก็นชนะเลยก็ว่างั้ น, นพอหลังจากชนะเบีดเสร็จคายมาดูกลายเป็นเขียดที่อมเข้าไปน้ากากซะเขียดตายแล้วนึกว่าพระเดินให้ซู้อะไรคนละเรื่องเลยตอนนี้นึกว่าพราดินใหโซู้ก็ ที่จริงมันเป็นเพราะอํานาจอะไรรู้ไหมอํานาจจิตใช่ไหมเห็นไหมจิตเนี่ยเวลามันเกิดนั่นขึ้นมาเนี่ยทั้งๆที่เป็นอกุศลจิตหรือเป็นอะไรต่างๆก็แล้วแต่มไปขึ้นมาก็เป็นอย่างนั้นเลยตรงนี้พระโพธิสัตว์เนี่ยท่านในรายละเอียดตรงนี้ก็คือว่าขนาดนั้นน่ยกลุ่มพวกว่าหนังหุ้มกรองอะไรต่างๆทงัทง้งหลายก็ต่างๆก็มีการบันเลงนะส่งเสียงขึ้นมาเบสิก เครื่องพนาการทั้งหลายก็ขาดดุดแล้วก็สัตว์ตาบอดก็มองเห็นการหูหนวกก็จะยินเสียงเป็นตัวเราเนี่ยนะคนใบ้แต่กําเนิดก็พูดไนดะ้เรือที่เดินไปต่างประเทศแล้วก็กลับสู่ท่าเรือปัตตานีได้อย่างรวดเร็วรัตตานีาทุกอย่างที่อยู่ในอากาศทั้งที่โยนภาคพื้นดินก็เรืองแสงรอบแสงสว่างอนโนรานไพลบูลก็ได้มีในโลกี่กันโลการติการนร ก, รกแม้ทุกข์ก็ไม่ว่างเว้นในครั้งนั้นนะในส่วนจริงในมหาสมุทรก็ สงบนะคลื่นก็สงบ ก, ก็คือทะเลปกติเค็มใช่ไหมก็มีรสจืดในขณะหนึ่งตอนที่พระโพธิสัตว์ประสูติลมที่พัดแรงก็หยุดฝูงนกก็เริงล่าเทวดาที่อยู่ในภพทิพย์ของตนก็มีใจเลื่อมสายฟ้อนลำประโคมเนี่ยถ้าพระโบธิสัตว์ประสูติในช่วงนี้นะคนทะเลาะ ก, กันเนี่ยดีกันหมดเลยหันหน้าจับไม้จับมือกันเลยเลิกแล้วต่อกันแล้วเนี่ยจะเป็นลักษณะอย่างเนี้ย แต่พวกเราถ้ามาไปเกิดในครอบครัวไหนถ้าครอบครัวเขาสามัคคีกันทําให้เขาแตกแยกกันแสดงว่ายุ่งเลยโดยมากเป็นอย่างนั้นนลยนะในขณะนั้นเองประตูเล็กประตประตูใหญ่เปิดได้เองเป็นต้นส่วนมูสัตว์ที่เป็นเวีกันเป็นก็มีเมตตาจิตต่อกันนะขนาดมองกันนี่นะเป็นศัตรูกันเลยนะพอพระโพธิสัตว์นี่ประสูตรในขณะนั้นเนะี่ยจากศัตรูกันก็มองกันเป็นมิตรกันมีความรักมีความปรารถนาดีมีความเมื่อถอน นี่เป็นไปในลักษณะอย่างนั้นนะนะพวกสัตว์ร้ายทั้งหลายนี่นะที่กําลังจะเข็นฆ่ากันทั้งหลายนี่ก็มีใจคุ้นเคยกันประดุดพี่น้องกันนะี่ยนะหมูสัตว์นั้นก็มีจิตเลื่อมใสายกาวแต่ปิย่าวาจาแก่กันฝูงม้าก็มีใจร่าเริงลำพองร้องฝูงช้างใหญ่เมามันก็ส่งเสียงโกลจนาดรอบๆหมืน่นโลกธาตุก็เกลื่อนกราดไปด้วยจุนและจันเป็นต้นหอมกลุ่นเป็นโหนดอบอวนไปหมดเลยนะนี่เป็นไปในลักษณะอย่างนี้ ถามบอกว่าปุบปนิมิตต่างๆที่อุบัติเกิดขึ้นนี่เป็นนิมิตหมายของอะไรท่านก็อธิบายบอกว่าความวันไหวแห่งหมื่นโลกธาตุเป็นปุบปนิมิตแห่งการได้สัพพัญญุตยานของพระเจ้านะฉะนั้นที่มื่นโลกธาตุวันไหวเนี่ยที่ตอนที่พระโพธิสัตว์ประสูตินั้นแปลว่าอะไรแปลว่าพระโพธิสัตว์จะได้ตัดสรู้เป็นพระเจ้าและจกได้สัพพัญญุตยานเทวดาที่มาประชุมกันในจักรวาลเดียวเป็นปุบปนิมิตของอะไรรู้ไหม ของการชุมนุมพร้อมเพียงกันเพื่อจะรับธรรมในการที่พระเจ้านั้นแสดงธรรมจักรตอนที่พระบรมศ า, าศาสดาแ ส, ด, าสดงธรรมจักรกับประวัตินสูตรในองค์ปัจจุบันนี่นะพระเจ้าของเราเนี่ยเทวดาไพร้มมาประชุมกันเท่าไหร่เท่าไหร่รู้ไหมพร้มมาประชุมเท่าไหร่สิบแปดโกฎโกดหนึ่งเท่าไหร่โกดหนึ่งสิบล้านสิบแปดโกดเป็นจํานวนเท่าไหร่ฮะ ร้อยแปดสิบล้านเทวดาไม่นับลองคิดดูทีเนะี่ยนั่นแหละคือปุพานิมิตรบ่งบอกว่าจะต้องมีคนชุมนุมฟังธรรมจากพระพุทธเจ้าขนาดนั้นเดี๋ยวยอมก็สงสัยว่าไปเอาเครื่องเสียงที่ไหนคนฟังได้ขนาดนั้นใช่ไหมพระสุรเสียงของพระบรมศาสดาในเวลาพระองค์แสดงธรรมเนี่ยคนฟังจะเสมอกันหมดอาตมาไม่มีความสามารถแม้แต่นิด นขนาดใช้เครื่องเสียงอย่างเงี้ยเนะถ้าอย่างงั้นสงสัยถ้ามีความสามารถเนี่ยคนที่มาประชุมกันอยู่กลางถนนได้ยินเสียงอะนรมาหมดเลยนี่นิมทําไม่ได้ใช่ไหมถ้าทํางานสงสัยหยุดเ ง, งียบสงบกันนั่งบนมมือปองกันหมดเลยถ้าโพธิ์เจ้าอุบัติเกิดขึ้นจะเป็นไปลักษณะอย่างนี้แต่นี่แต่คนยุคปัจจุบันนี้ทําไม่ได้ไม่ได้ไม่มีไม่มีบุญอย่างนะ้น ขณะประสูติจากพระคันนะนะมีการรับพระโพธิสัตว์โดยเทวดารับก่อนเป็นปุโปรปุปนิมิตอะไรรู้ไหมคือพระโพธิสัตว์นั้นจะได้รูปปัญจมชฌานคือปฐมฌานทุติยฌานตติฌานและเจตุตถฌานประคมกองหนังแล้วก็กองทั้งหลายได้เองเป็นปุปปนิมิตทิ่งยังมหาชนได้ยินเสียงกลองทำขนาดใหญ่คือพระธรรมของพระบรม ศ, า, ศ า, าสดาในประดุจดังกองนะ พระพุทธเจ้าบอกว่าต ถ, ถาคตจะลั่นอมตะธรรมคือกลองอาาคืออากาศคืออมตะธรรมสติปทานสมปารทานอิทิบาทอินทรียพระโาโชงอริยมารวิโอปแตนชื่อว่าเป็นเสียงกลองที่พระพุทธเจ้าตีถามว่าเสียงเหล่านั้นยังดังในใจเราอยู่ไหมตอนนี้ยดังบ้างไหมดังกระท้อนกระแท้นสติปฐานดังไม่ครบสูตรเนี่ยเนี่ยบางคนนั่งอยู่เนี่ยสติปฐานั้งไล่ไม่ครบสูตรแล้วเอาพุทธคุณดังอยู่ไหม อิติพิสสยังดังอยู่ปะดังไม่ค่อยต่อเนื่องเลยนะถามว่าระหว่างเสียงคนที่เขาชมนมกับเสียงกองของพระเจ้าในใจไหนดังกว่ากันน <laughs> <laughs> ี่เห็นชัดเลยเดียวนี้บงคนก็วีงก็ว่าเระห่วงบ้านอล้วเนี่ยนะ <laughs> <laughs> เสียงกองของพระเจ้าตีที่จริงน่าจะดังกว่าเสียงเหล่านี้ใช่ไหมยคะ <laughs> คนถ้มีพุทธคุณในใจเนี่ย <laughs> เขาไม่กลัวเลยหรอก เขาไม่กลัวหรอกพราเราสวดมนต์ตอนเย็นๆแร้ว่างไงเข้าไปเจ้าขอมอบกายถวายชีวิตแด่ผูพได้เจ้าแด่พระธรรมแด่พระสงฆ์เอาถวายไปแล้วเป็นห่วงอรไม <c oughs> เป็นห่วงทำไมนี่ยยมเนี่ยเมื่อกี้ไม่รู้ยอมเลยถึงโทรศัพท์ลั่นเลยจะขับยังไงนั่งรถไฟเอารถไฟ ป, ปิดแล้วเขาบอกใช่ไหม เอานี่เสียงกลองของพระญยาเนี่ยเสียงธรรมของพระรยาเนี่ยให้ดังในใจดังให้กล้องในใจนะถ้าดังกล้องจริงๆริงกบความกลัวได้ไหมกบได้นะก็พยายามให้เสียงนั้นดังอย่าให้ทีนะมีท่ามาดังแทนทีนะมีท่ามาดังแทนนายยุ่งเลยเดการบรรเลงเพลงได้เองของพินและพรดังเครื่องประดาบต่างๆเป็นปุบพนิมิตแห่งการที่พระพุทธเจ้าจะได้อนุปุปภะ สมาบัติกมีอะไรบ้างอนุปุพพาสมาบัติกโลกประชานสี่โลประชานสี่แล้วก็นิโรธสมาบัติหนึ่งเป็นเก้าพอดีเลยนะแล้วการปราศจากโลคทุกอย่างของมหมาชนในขณะนั้นเป็นปุถุิมิตแห่งการได้ผลแห่งสัจจะทั้งสี่คือสัตว์โลกเหล่านั้นจะได้ตัดสลัลวะลิยสัตว์การเห็นโลกของคนตาบอดเป็นกําเนิดเป็นนิมิตของการจะได้ทิพยจักสุ หูหนวกก็จะยินเสียงเป็นปุปปนิมิตแห่งการได้ที่พระโสดาทาการเกิดอนุสติของคนใบ้แต่กำเนิดเป็นปุปปนิมิตแห่งการที่จะได้สติปัฏฐานสี่สติปัฏฐานสี่ตอนนี้เราได้ยังกายานุปัสนาสติปัฏฐานเวทนานุปัสนาสติปัฏฐานได้ยังได้แผ่นแจกไปแล้วแต่ยังจเจริญไม่ได้ไม่รู้เป็นห่วงใครอยู่ก็ไม่รู้ บอกได้แผ่นแจกไว้ตั้งนานและท่านเก็บไว้ทั้งนานนั้นยังไม่ได้ฟังเลยว่ายังไม่ได้สติปัฏฐานเลยใช่ไหมฉะนั้นตรงเนี้ยสติปัฏฐานก็ยังไม่ได้ได้แต่แผ่นที่เขาเขียนไว้ว่าจเจริญสติปัฏฐานเนี่ยนะกลับไปก็ไปฝึกฝึกยากไหมจเจริญสติปัฏฐานการเดินไปได้ของคนพิการ เป็นปุนปปนมิตรแห่งการจะได้อิทธิบาทสี่ตอนนี้ได้อย่างฉันทะวิริยะจิตตจมังสาถ้าไม่ได้เราเหมือนอะไรเหมือนคนพิการไม่พิการก็เหมือนพิการนะเราเนี่ยเพราะเราไม่มีอะไรไม่มีอิทธิบาทถ้าใครมาว่าเราพิการเราโกรธไหมโกรธไหมโกรธใช่ไหมแต่ถ้าบอกว่าเอ๊ะคุณเนี่ยไม่ได้อิทธิบาทแล้วไม่ได้จริงๆใช่ไหม ชันทิตที่บาตก็ไม่ได้วิริยติทีิบาตก็ไม่ได้จิตติทีิบาตก็ไม่ได้วิมังสิติบาตก็ไม่ได้เอาชันทิตทิบาตรเราอธิบายให้ให้ฟังช้าๆที่ว่ากรณีที่ชันทิตทิบาตนั้นน่ะเราจะคิดยังไงชันทิตทิบาตก็วิธีคิดก็อย่างนี้นะบอกว่ามีฉันท้าอย่างแรงกล้าในการที่จะปฏิบัติขัดเกลาประพฤติปฏิบัติตามพระธรรมคําสอนของพระพุทธเจ้าถ้าไม่ได้ถ้าไม่ได้บรรลุ ถ้าไม่ได้ถึงถ้าไม่ได้ทําให้แจ้งนะถ้าไม่ได้บรรลุคุณวิเศษในพระพุทธศาสนาในคําสอนของพระบรมศาสดาเขาบอกว่าการมีชีวิตอยู่ไม่ประเสริฐเลยตายเสียได้ดีกว่าชันท้าเขาแรงขนาดนั้นเราไหวไหมแบบเนี้ยเอาชีวิตแรกเลยเนี่ไหวไหมวันนี้อ่ะอย่างประเภทที่เขาบอกว่าเนื้อและเลือดจงเหือดแห้งหายไปก็เถิดจะเหลือแต่นหนังเอ็นกระดูกก็ตามที ถ้าไม่ได้บรรลุแล้วไม่ยอมหยุดความเพียรเนี่ยนี่วิริยะที่บาดแบบนี้ใครเคยตั้งขนาดนี้ไหมกลับไปถึงบ้านก็บอกเนื้อและเลือดจงอยู่เงีอยอย่างนี้ได้จงอย่างเงี้ยเราไม่ใครกล้าตั้งอะไรย้อนสัตวฉันทันท่าของเราไม่ค่อยกล้าตั้งทีนี้ความเพียรเราก็ยังตั้งกันไม่ถูกด้วยเพียรในที่นั้นแปลว่าอะไร เพียรในการที่จะทำกุศลให้เกิดขึ้นทุกชาวนะถ้าชาวนะจิตเกิดขึ้นมาแล้วจะให้กุศลเดินอยู่ต่อเนื่องจะไม่ให้อากุศลแทรกในใจเลยนะลั่นแล้วเพียรยอมจะไปนอนก็ได้ไปนั่งก็ได้ไปยืนก็ได้ไปเดินก็ได้แต่มีข้อแม้ว่าให้ใจเป็นใบกบกุศลทำได้ไหมเอาไปนอนก็ได้ถ้าอยากจะนอนจริงๆนะแต่ให้กุศลเกิดนะในขณะนอนหนึ่งต้องทาให้ได้นะ ไม่ใช่นอนแล้วหลับกรนเลยไม่ใช่กุศลเดินไม่ใช่เนี่ยในลักษณะอย่างนั้นก็เรียกว่ากุศลเกิดตรงนี้ก็คือเป็นปุปปานิเมต์ดังที่ได้กล่าวไว้ว่าจะได้อิธิบาตดังที่ได้กล่าวและการมาสู่ท่าเรือสุปัฏนะได้เองของเรือนั้นเพราะจะได้ปุปปานิเมตคือการบรรลุปฏิสัมพิธาทั้งสี่คืออัฏฐะ ธ, ธรรมานิรุตติแล้วก็ปฏิสัพพานะปฏิสัมพิธา การรุ่งโรดได้เองของรัตนทั้งหลายเป็นปูปนิมิตแห่งการได้แสงสว่างในธรรมการดับไปของไฟในโลกเป็นปูปนิมิตแห่งการดับไฟสิบเอ็ดกองพุทธิย่าดับไฟคือราคาโทสาโมหะไฟคือชาติชราพยาธิเป็นต้นเหลนี้พุทธิยาดับได้เนาะการไหลแห่งแม่น้ําทั้งหลายเป็นปูปนิมิตแห่งการได้จตุเวสาลัชยานสแสงสว่างในโลกันติกะนรกก็เป็นปูปนิมิตแห่งการกําจัดความมืด คืออวิชชาอวิชชานี้จัดว่ามืดไหมมืดมิดด้วยเนาะอวิชชานี้เวลาเกิดขึ้นในกระแสขันธาตอายตนะของเราทั้งหลายแล้วเนี่ยทําให้เราไม่เห็นอะไรไม่เห็นชาติทุกใช่ไหมไม่เห็นความเกิดว่าเป็นทุก์ไม่เห็นความแก่ว่าเป็นทุก์ไม่เห็นความเจ็บความตายเป็นต้นว่าเป็นทุกเป็นต้นสต่เคือไม่เห็นอริยสัจเอาเวลาที่เขา วิ่งยืนเดินนั่งนอนกันไปตามที่ต่างๆเนี่ยถามว่ายมบงพิจารณาดูที่ว่าเขาเห็นอริยสัตว์กันไหมเห็นหรือไม่เห็นเขาไม่เห็นอริยสัตว์เลยใช่ไหมสัตว์ทั้งหลายเหล่านี้ที่เขาเป็นไปกันต่างๆนานาเนี่ยเขาไม่เห็นอริยสัตว์เขาจะยืนจะเดินจะนั่งจะนอนจะคู่จะเหยียดจะก้มจะเงยนต่างๆเหล่านี้ เ, นเขาไม่เห็นอริยสัตว์ ฉะนั้นเมื่ออริยสัตว์ไม่ปรากฏในใจของเราสัตว์เหล่านั้นนะ่ะนะสัตว์เหล่านั้นก็มีอวิชานั่นเองเป็นเครื่องทําให้มืดมิดประการต่อมาก็คือบอกว่าความที่มหมาสมุทรมีรสอร่อยเนะ่ยเป็นปุปปนิมิตแห่งการได้พระธรรมวินัยนะี่มีขันศีลสมาธิปัญญาธรรมวินัยของพระบรมศาสดามีอยู่รดเดียวนะคืออมตะรสรสก่็คือพระนิพาณนะ่ยความไม่พัดไปแห่ง ลมทั้งหลายเป็นปุปปนิมิตแห่งการที่จะพระ อ, องค์จะทําลายมิจฉาทิฏฐิคืออย่างนี้เราท่านทั้งหลายมีสักยะทิฐิเป็นประธานใช่ไหมไอตัวสักยะทิฐิเนี่ยความเห็นโดยความเป็นอัตตาแล้วก็อัตตนียโดยความเป็นเราและของของเราเนี่ยอันนี้ตัวสักยะทิฐิเห็นรูปเป็นเราเห็นเวทนาเป็นเราใช่ไหม สัญญาสังขารวิญญาณเป็นเราเห็นกายเห็นใจเนี่ยเป็นของเป็นเราใช่ไหมจริงๆเราเห็นอย่างนั้นหมบอกว่าผมผมเนี่ยเราเห็นว่าเป็นเราไหมผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเอ็นกระดูกเยื่อในกระดูกเนี่ยเราเห็นว่าเป็นเราไหมการเห็นในลักษณะอย่างนี้เขาเรียกว่าเห็นรูปเป็นอัตตาหรือเป็นตัวเป็นตนเนี่ยเขาเรียกว่าเห็นรูปเป็นเรา ถ้าเห็นรูปเป็นเราอย่างนี้ถ้ารูปดับเนี่ยถือว่าเราดับไปด้วยไหมลักษณะนี้โดยมากจะเป็นอุเฉะโดยมากก็ขาดศูนย์แต่ถ้าไปเห็นเราอยู่ในรูปเงี้ย น, นี่น่าคิดไปเห็นเราเป็นกลุ่มนาำไปใช่ไหมไอตัวเรานั้นก็เลยไปสิงอยู่ในรูปก็เลยคิดว่ารูปในแตกดับแต่ตัวเราคือ น, น้ำเนี่ยไม่แตกดับงั้นเมื่อตัวรูปนี่แตกดับเบีเสร็จตัวเราคือ น, น้ำก็ล่องลอยหาที่เกิดมีเยอะไม่เห็นแบบเนี้ย เป็นดวงเป็นดวงวิ่งจากที่เกิดไปใช่ไหมในลักษณะนี้พอไฟเผาเบีดเสร็จปุ๊บเนี่ยไอ้ตัวดวงวิญญาณมันก็วิ่งออกตามรูดังๆตามทวารต่างๆก็วิ่งไปก็ไปถือปฏิสันที่ไป็นสัตว์เป็นสัตว์นโลกบ้างไปเกิดเป็นเปรตบ้างเราไปคิดในลักษณะนี้กลุ่มนี้คือกลุ่มสัตว์ตาธิทิก็เห็นว่าอัตตานะ่ยมันเที่ยงไอ้ตัวรูปนี่แตกดับจริงแต่ตัวเรานะั้นมันก็ออกจากทางทวารทั้งเก้า ตาทวานตาทวานหูตรงไหนมีช่องมันก็วิ่งออกจากตรงนั้นเน่ะก็ทะลุทะลวงออกไปแล้วก็ไปหาที่เกิดลักษณะนี้เป็นไปนสําคัญว่าบางอย่างเที่ยงบางอย่างไม่เที่ยงไปเห็นอัตตาในเที่ยงไอตัวรูปเนี่ยไม่เที่ยงถามว่าคนที่เห็นแบบนี้มีเยอะมไหมเนี่ยลักษณะนี้เห็นผิดหรือเห็นถูกงั้นลักษณะที่ลมพัดเนี่ยเป็นปุปปนิมิตแห่งการที่ว่าเป็นมิจฉาทิฏฐิแต่พระเจ้านั้นสามาร หยุดวงจรของมิจฉาทิฐีได้ถอนได้ความที่ต้นไม้ทั้งหลายออกดอกบานเป็นปุปริมิตแห่งการที่พระธรรมวินัยของพระธรรมคตนั้นนะ่ะโดยดอกก็คือมีวิมุตต์ก็คือมุติถึงความวิมุตต์คือความหลุดพ้นการจลัดแสงยิ่งของดวงจันทนะเป็นปุปริมิตแห่งการที่พระองค์เป็นที่รักของคนเป็นอันมากความที่ดวงอาทิตย์สุขใสในกลางวันแล้วก็ไม่ร้อนจนเกินไปนะนะั้นน่ะ เมื่อพระบรมศาสดาสเสด็จอุบัติเกิดขึ้นมาแล้วก็ทำความสุขกายสุขใจให้กับเ่าสัตว์การโผลผินจากท้องฟ้าเป็นต้นสู่แผ่นดินของฝูงนกเป็นปุปริมทสแห่งการฟังพระโอวาทนะแห่งการถึงสารณะด้วยชีวิตของมหาชนเราทั้งท่านหลายบอกว่าพุทธทางชีวิตตังยาวะนิพานังใช่อัตตะภาวะปริยาปันณาเป็นต้นนะนะเาบอกว่าเราเนี่ยเอาชีวิต บูชาถวายเป็นเขาเรียกขอถึงรัตนะเนี่ยคิดได้บอกว่ า, วาถึงสารณะด้วยชีวิตของตนเองระหว่างสารณะกับชีวิตเนี่ยอันไหนสาคัญก่อกันก็มานั่งคิดตัเนี้ยทุกคนก็ตอบในใจว่าสารณะสําคัญแต่ใจใจลึกๆแล้วอะไรสําคัญถ้าสารณะจะขาดกับชีวิตจะขาดอะไรน่ากลัวกว่ากันฟั <c oughs> งแล้วเป็นอย่างไงใช่ไหม ถามว่าการขาดของชีวิตเนี่ยมันเคยขาดมาไม่รู้กี่ล้านกี่โกรธครั้งแล้วสุจริตทำทั้งหลายนี่นะหรือสาระเนี่ยกับชีวิตเนี่ยเราต้องคิดให้ออกถ้าเราคิดไม่ออกนี่นะเราจะไปสําคัญว่าชีวิตเนี่ยสำคัญกว่าสาระพุทธัทงสารนังกระฉามีธรรมังสารนังกระฉามีสังขังสารนังกระฉามีเนี่ย สภาวะพุท ธ, ธสภาวะธรรมสภาวะสังขะมาพิจารณาดูนะว่าระหว่างชีวิตกับสาระนี่จะชี้หเห็นว่าจริงๆอะไรสําคัญถ้าชีวิตขาดไม่มีสาระเปรตอสุรากายสัตว์นรกสัตเดรัจฉานนั่นคือที่ไปแต่ถ้าหากชีวิตขาดแต่สาระยังอยู่จะมีสุขติเป็นไปในเบื้องหน้า ฉะนั้นการขาดของชีวิตไม่สําคัญแต่การขาดลงแห่งสารณะน่ากลัวถ้าใครสารณะเศร้าหมองหรือสารณะขาดเนี่ยเสียหายแล้วรักษาอัตภาพเดิมไม่ได้ต่ํากว่าเดิมแน่นอนตรงนี้ก็มาพิจารณาดูทําไมถึงเป็นอย่างนั้นอามาพิจารณาอย่างนี้ว่าเหมือนที่เคยกล่าวหล า, หลายครั้งที่บอกว่า สัตว์ทั้งหลายมีกรรมเป็นทรัพสมบัติของตนเราท่านทั้งหลายหลายๆเราเคยท่องกันใช่ไหมกรรมมะพันธูใช่กรรมมะสกาสตาสัตว์ทั้งหลายมีกรรมเป็นของของตนเราแปลกันอย่างงั้นถ้าโดยอัฏฐะจริงๆต้องแปลว่าสัตว์ทั้งหลายมีกรรมนั่นแหละเป็นทรัพสมบัติของตนเงินทองรัตนาชาติทั้งหลายทรัพย์สินเงินทองทั้งหลายแก้วแหวน ตลอดถึงบ้านหรือที่ดินทั้งหลายอันนั้นนะ่ะถามว่าไม่ใช่ของของเราอย่างถาวรเกี่ยวข้องกับเราก็คือยังหายใจออกได้อยู่และขณะหายใจออกได้อยู่บางทีนี้เราก็ไม่มีอำนาจในการไปจัดการใดเลยไม่มีเลยถ้าวันนี้ เกิดสถานการณ์อะไรไม่ชอบมาวาคนขึ้นมาสมมุตินะเกิดจะลาจนเดือดร้อนทั้งบ้านทั้งเมืองทรัพย์สินที่เราอยู่ในธนาคารก็ไม่ใช่ของเราแล้วไม่ใช่จริงๆข้าวของทั้งหลายก็ไม่ใช่ถ้าจะต้องมีการอบพยพมีสงครา ม, มีอะไรต่างๆพูดให้ฟัง มันไม่ใช่จริงๆเห็นไหมมันเกี่ยวข้องกับเราก็เฉพาะที่กุศลของเรามันยังก่อนเนื่องกันอยู่นิดๆหน่อยๆมันไม่สามารถจะติดตามเราไปในสัมปร이ยาภพได้เลยเม้แต่พบเห็นไหมบอกว่าระหว่างสุจริตกรรมกับทรัพย์สินเงินทองไอ้ตัวสุจริตกรรมตัวสารณะต่างหากที่มันจะติดตามเราไปทุก กระแสขันธาอริยตนะที่มันไปตามพบน้อยพบใหญ่เงินทองพ่อแม่พี่น้องทั้งหลายไม่ใช่ไม่ใช่ของของเราตามเราไม่ได้เลยมองออกไหมฉะนั้นสัตว์ทั้งหลายมีทรัพย์คือกรรมนั่นแหละมีบุญกรรมนั่นเองคือบุญกับบาปนั่นเองเป็นสมบัติของเราอย่างถาวรด้วยอย่างแท้จริงด้วยตราใดกระแสขันธาอรายาิยตนะของเรายัางไปณนะที่ไหนสิ่งต่างๆเหล่านี้มันตามหมด เอาญาติไปกับเราไหมตามไหตามไห ม, ม, ไ, หมไปคนละทางเลยไปคนละทิศกันเลยแล้วบอกโอ้ยพัรยาของเราสามีของเราบุตรของเราพ่อของเราแม่ของเราเพื่อนของเรากรร ม, มทายาโทใช่ญาติใช่พวกพ้องที่แท้จริงไหมสตัตว์ทั้งหลายมีสุดจริตกรรมและทศจริตกรรมต่างหากเป็นทายาทยาที่แท้จริงอันนี้เขาเรียวกว่าเป็นญาติชั่วข้าว ชั่วลืมตาเห็นนะหายใจอยู่บางครั้งก็ตัดขาดกันตั้งแต่ที่ลืมตาเห็นหายใจอยู่นี่แหละแต่สุจริตกรรมและทศจริตกรรมเนี่ยมันเคยพลากจากเราไหมละ่ะมันไม่เคยพลาดเลยแม้แต่วินาทีฉนั้นท่านทั้งหลายสุจริตกรรมและทศจริตกรรมนี่แหละเป็นญาติที่แท้จริงเขา้าใจยังฉะนั้นพรระัตนาัยจึงสําคัญกว่าชีวิตชีวิตไม่สําคัญเลย ถ้าชีวิตเป็นไปอยู่แต่มีเป็นไปด้วยความทุศีลเป็นไปด้วยความทุจริตทั้งหลายเนี่ยก็เป็นหมันเป็นชีวิตที่เป็นหมันมองออกไหมในมุมนี้พอจะคิดได้นะฉั้นแต่พิจารณาในลักษณะอย่างนี้ก็จะเห็นบอกว่าการตกลงมาแห่งฝนที่เป็นหมาเมฆในทวีปทั้งสี่นั้นเป็นปุปปนิมิตแห่งธรรมะขนาดใหญ่ของพระบรมศาสดาการอยู่ในภพของตนของตนระเริงเล่นโดยการป้อนลำเป็นต้นของเทวดาเป็นปุปปนิมิตแห่งการบรรลุ เป็นพระพุทธเจ้าก็เปล่งพระอุทานนะการเปิดได้เองของบานประตูเป็นต้นก็เป็นปุปปนิมิตแห่งการพุทธเจ้านั้นจะเปิดช่องทางคืออริยมรรคให้กับมหาชนได้เดินตอนนี้พุทธยาเปิดได้ยังองค์ปัจจุบันนี้เปิดได้ยังเปิดแล้วแต่เราอยากเดินไหมเนี่ยถามจริงๆระหว่างเดินกลับบ้านกับเดินตามอริยมรรคีนเดินไหนอยากเดินกลับบ้านเลยคิดถึงบ้านเลยใช่ไหมใช่ไหม อริยมรรคไม่ค่อยอยากจะเดินแล้วเนี่ยใจไม่ค่อยอยู่กับเนื้อกับตัวบนนี้ฟังทำไม่ค่อยสนุกเลยบางคนเนื่องช่องทางคืออริยมรรคเนี่ยเป็นช่องทางที่จะเดินไปเพื่อจะนิพพานมันอย่างนี้นะเดินไปตามทางนี้เดินไปเพื่อจะดับขันธาตุอรยธนระอย่างถาวรแต่ที่เราเดินไปอยู่เนี่ยเดินเพื่อจะไปได้ขันธาตุอรยธนระตอนนี้เรากาลังเลือกเดินทางไหนกันแน่เนี่ยถามใจที่ เดินไปหาขันท่าอายตนะหรือเดินไปเพื่อไปดับขันท่าอายตนะใจกล้าพอยิงว่รพอเดินไปจริงๆเบรเสร็จไปได้ครึ่งทางบอกเรียกคามแม่แล้วใช่เดินไปเนี่ยคือเดินไปเพื่อจะไปดับดับทุก์เพราะเราเห็นว่าการมีรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาเนี่ยมันเป็นตัวทุกข์ แล้วมันเป็นตัวปัญหาลองคิดดูทีมันไปเกี่ยวข้องกับอะไรกระทุกอะไรนั้นแหละเราไปเกี่ยวข้องด้วยฐานะมีลูกมีสามีมีภรรยามีพ่อมีแม่มีพี่มีน้องมีทรัพย์มันก็วิตกกังวลกับสิ่งเหล่านั้นตลอดเวลาใช่ไหมแต่เดินอย่างที่พระโพธิสัตว์ท่านเดินไปไหนไหมท่านเดินไปเพื่อจะไินิพพานเราก็จะเดินตามทางท่านอย่างนั้นทีนี้การเดินของเราท่านทั้งหลายเนี่ย ในสังสารวัตที่ผ่านมาเนี่ยจำได้ไหมเราเนี่ยแวะข้างทางเยอะมากแวะทศจนไม่รู้จะแวะยังไงแลยใช่ไหมเล่นทศจนหนทางยาวไกลเลยถ้าตามคนที่เขาอายุเย็นยืนทั้งหลายเขาเฝ้ามองกระแสการธาตุยตนะของเราอยู่เขาสายหน้าไป่รู้กี่พันรอบใช่ไมยังนี่เนี่ ย, ยทำทีทำท่ามารักษาศีลอยู่แป๊บเดียวก็ไปทําช่วยเนี่ยนะ นะตรงนี้ต้องใจต้องเข็งแรงจริงๆความไม่มีความกังขายบียบคั้นเป็นปุโปรปนิมิตแห่งการจะได้เสวยมืติสุขความที่เมตตาจิตของผู้มีเวรต่อกานเป็นปุโปรปนิมิตแห่งการจะได้พรหมวิหาร4มื่นโลกาธาตุมีธงคันเป็นมารายเป็นปุโปรินิมิตแห่งที่ศาสนามีธงของปริยาเป็นมารายัยคือนะขุณวิเศษที่เหลือทราบว่เป็นปุโปรปนิมิตของผู้เดชคุณทั้งหลายเป็นต้น พัททีปังกรราชะกุมารถูกบำเรอด้วยสมบัติต่างๆเหล่านี้เบ็ดเสร็จนะก็สรุปแล้วก็คือ น, นั่นแหละประสาทสามฤดูแล้วก็รัตนาต่างๆเป็นต้นเหล่าเนี้ยประการต่อมาหลังจากนั้นก็คือว่าไปเห็นนั่นแหละต่อมาราชะกุมารทั้งหลายก็ไปเห็นคนเกิดคนแก่เห็นคนแก่คนเจ็บแล้วก็เห็นคนตายเห็นสมณะ พระทีปังกรมหาบุรุษเห็นพระขีณาศพนั้นได้ตรัสอีกบกว่าอะไรสดับคือต่อมาเนี่ยนะพอหลังจากที่ได้ปุปุปนิมเทศนั้นก็คิดในการที่จะออกบวชนั่นเองพอคิดในใจตอนนั้นน่นอยู่ในราชอุทยานเลยนะพระขีณาศพที่เป็นท้าวสุดทา้าวาสัพโรมาจ้องอยู่แล้วใช่ไหมพอพระบุทธศาสนาคิดแค่นั้นคิดในใจปุ๊บเนี่ยถือสมณบริขาแ8ดประการมาปรากฏเฉพาะนาเลย เร็วมากเออเพราะเนี่ยพระธีบังกรพระเจ้าเนี่ยตอนที่ท่านเป็นบริษัทเนี่ยเร็วจริงๆนะท่านไปเที่ยวอุทยานพอท่านไปเกิดความเบื่อนหน่ายในคารวะวิสัยตอนนั้นเน่ยต่อนหน้าราชบริพันธ์เยอะแยะนั่นเลยนะพอคิดเบื่อนหน่ายเนกขมารบารมีปรากฏในใจน้อมอยากจะออกจากวตาแค่นั้นเองท้ามหาพรหมที่เป็นพระขีนาศพบจ้องอยู่แล้ว ลอยละเลี้ยวปิวลงมาเลยถืออัตาบริการมาเลยเดียนะ๋ยวนี้ยมาปรากฏเฉพาะหน้าเลยหมมาปรากฏในคลองจักรสุขของหมาปรุษพระทีบางกรเนี่ยนะมาบุรุษเห็นมหาพรหมขีนาศบนั้นแล้วก็ตรัสถามว่านี่อะไรสดับว่าอุ้ยสมณะบริการโอนี่ไงบอกว่างั้นนิสบงจีวรสังฆติบาศมีดกนแล้วก็มีดตัดเล็บแล้วก็เข็มประคดเอวแล้วก็ทำกระดก ค, คือเครื่องกรองน้ําพอถามว่า ในสังสารวัตที่ผ่านมาท่านบวชมาเมื่อมามากไหม